ท้าทัตรัถะมีพวกคนทันเป็นบริวารทัดออกไปเป็นปุบพระวิเทหทวีปด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าวิรุณหกมีพวกกุมภั์เป็นบริวารถัดออกไปเป็นชมพูทวีป พ, พวกกุมภันนี้ท่านอธิบายว่าได้แก่ทานพระรากัสะด้านทิศตะวันตกของเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของท้าวิรูปัตมีพวกนาคเป็นบริวารทัดออกไปเป็นอมรโครยานทวีป ด้านทิศเหนือของเขาสุเนรุเป็นที่อยู่ของเท้ากุเวนมีพวกยักษ์เป็นบริวารทัดออกไปเป็นอุตรากูรุทวีปเท้ามหาราชทั้งสี่ครองอยู่สี่ทิศของเขาสุเนรุมีกล่าวถึงในอาตาณิตยสูตรดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วหน้าที่ของท้ามหาราชทั้งสี่และบริวารตามที่กล่าวไว้คือเป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อป้องกันผู้อสูรซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึง จะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์ชั้นนั้นแต่ในสุตตะตันติบิดกติกานิบาศได้มีแสดงหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจ ด, ดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์อีกด้วยแสดงเป็นพระพุทธภาสิตมีความว่าในวัน8ดค่าแห่งปักอํามาตบริษัทของท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกในวัน14บี่คาำแห่งปักบต 4, ุตรดดทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจ ด, ดูโลกในวันสิบห้าค่ำแห่งปัก ถามมหาราชทั้งสี่ที่ตรวจดูโลกเองว่าพวกมนุษย์พากันบำรุงมารดาบิดาบำรุงสามนาพรามเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาอุโบสถทำบุญกุศลมีจำนวนมากด้วยกันอยู่หรือเมื่อตรวจดูแล้วถ้าเห็นว่ามีจำนวนน้อยก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งประชุมกันในสุธรรมสภาพวกเทพชั้นดาวดึงไม่ได้ฟังดังนั้นก็มีใจหดหู่ว่า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 จะไม่รู้กรรมที่ตนเองทำแม้จะลืมไปแล้วโลกาบาลก็ต้องรู้เมื่อเชื่อว่าโลกาบาลมีจริงก็ควรจะเชื่ออย่างนี้ด้วยจึงจะเป็นโลกาบาลที่สมบูรณ์สรุปลงแล้วทำความเข้าใจว่าโลกาบาลมาโรธตราดูที่จิตใจนี่เองจะเกิดประโยชน์มากตามหลักในการจัดภูมิต่างๆสัตว์ดิรกชนเป็นอบายภูมิต่ากว่าภูมนุษย์และสวรรค์พระอาจารย์จึงกล่าวว่าในสวรรค์ ไม่มีสัตว์เดรัจานการเกิดในสวรรค์เกิดโดยอุปาติกะกำเนิดอย่างเดียวจึงน่ามีปัญหาว่าพวกนาคซึ่งเป็นบริวารของท้ามหาราชจะจัดว่าเป็นภูมิอะไรนอกจากนี้บริวารของท้ามหาราชจำพวกอื่นชเช่นพวกกุมภันก็มีลักษณะพิกลยักษ์บางพวกก็ดูร้ายเป็นผีเที่ยวสิงมนุษย์ก็มีดูต่าต้อยกว่าภูมนุษย์แต่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนี้ด้วย ตามที่กล่าวมานี้น่าจะเห็นว่าเก็บเอามาจากเรื่องเก่าๆจึงฟังไม่สนิท ต, ตามหลักการจัดภูมิต่างๆดังกล่าวสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ั้ที่สองชื่อว่าตาวะติงสับวนะแปลว่าพบดาวดึงเรียกกันว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขาสุเนรุซึ่งอยู่กลางภูเขาบริพันธ์ทั้งเจเป็นแกนกลางของโลกดังกล่าวมาแล้ว นครดาวดึงนี้ท่านกล่าวในคมภีว่าตั้งอยู่ในที่หมื่นยอดน่าจะนับพาศูนย์กลางเพราะมีกล่าวว่าระหว่างทาวารของปราการหรือประตูกำแพงเมืองอันเป็นทาวากรกลางทั้งสี่ด้านนับด้านละหมื่นยอเป็นนครคีรีที่มีปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมืองโบราณทั้งปวงมีทาวารทั้งหมดพันทาวารประดับไปด้วยสวนและสะโบกรณีทั้งหลาย ท่ามกลางนาครมีปราสาทชื่อเวทยันเป็นที่ประทับของเท้าส ก, กะเทวราชผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเราเรียกกันว่าพระอินเวทยันปราสาทนี้แพรวพราวไปด้วยรัตนาทั้งเจ็ดในอภิธา น, นัปทีปิกากล่าวรัตนาทั้งเจ็ดไว้ว่าทองเงินมุกดามณีไพฑูรย์วชิระหรือเพชรป่าพานแต่ในที่อื่นว่าคือมณี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 มีหน้าที่คอยเนรมิตตนเป็นช้างสรับทรงของพระอินทร์ในเวลาที่มีพระประสงค์จะเสด็จออกเพื่ออุทยานกีฬาพรรณน า, นา ถ, ถึงช้างเทวบุตรจาแลงนี้ว่ามีตะพองส3สามตะพองสําหรับเทวบุตร3 3สาพระองค์รวมทั้งพระอินทร์ซึ่งเป็นสหายบำเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัยเป็นมนุษย์ตะพองกลางชื่อว่าสุทัสนเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีบัลรัตนะ ซึ่งจะตรงกับคำว่ากูบกระมังมีธงรัตนะในระหว่างปลายสุดห้อยขานพรวนกระดึงหรือกระดิง่งเมื่อต้องลมอ่อนๆชวยพัดก็ดังปานเสียงทิพสังคีตอันสนอะประสานกับเสียงดนตรีมีองค์ห้ากลางมนดมีบรรลังมณีเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตะพองบริเวณนอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลายผู้บำเพ็ญกุศล ร, ร่วมกันมาแต่ปางบัน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 ปักสเสวิตฉัดกลางกัน้นพร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามที่ม้าอาชาไนนั้นแม้ไม่ได้กล่าวว่าเทวบุตรจำแรงแต่เมื่อวางกฎเกณฑ์ลงไปว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์ดิรัชานและเมื่อต้องการจะให้มีม้าเทียมรถก็ต้องกล่าวว่าเป็นเทวบุตรจำแรงเช่นเดียวกันและในคำมพี ร, รุ่นเก่ากล่าวว่าเทียมม้า 1,000 ส่วนในกัมพี ร, รุ่นหลังกล่าวขายายออกว่าเทียมแอข้างละพัน จึงรวมเป็นสองพันเมืองนครตรยตรึงเรียกในไตรผู่พระร่วงนี้เบื้องบุรพทิตมีอุทยานชื่อนันทนวันและจุนนันทนวันมีสะระบกคหรณีชื่อนันทะและจุลนันทะแทบฟังสะระบกคหรณีนั้นมีแผ่นหินดาชื่อว่านันทาและจุลนันทาเบื้องทักษิณทิศมีอุทยานชื่อปารุสกกวัน มีพัทราโบครณีหรือสุภัทราโบครณีมีแผ่นหินดาชื่อว่าพัทราและสุภัทราเบื้องปัจฉิมทิตมีอุทยานชื่อจิตรดาวันหรือจุลจิตนดาวันมีสาจิตตาโปครณีหรือจุลจิตตาโปคารณีมีหินดาจิตตาหรือจุลจิตตาเบื้องอุตรทิตมีอุทยานชื่อมิศกวัน สัทธมาโปขรนีหรือสุทธรมาโปขรนีมีแผ่นหินดาธรรธมาหรือสุทธ ร, รมาเบื้องอีสานทิศมีอุทยานชื่อมหาวันและปุนทริกกวันในปุนทริกกวโนทยานนั้นมีต้นปริชัดตกะซึ่งภายใต้มีท่านปุนทุกัมพระศีลาดังกล่าวแล้วถัดต้นปริชัดตกะนั้นออกไปมีสาลาใหญ่ชื่อสุทธมมาเป็นเทวสภา ที่ประชุมสภาเทวดาเบื้องทิศอาคเนมีพระเจดีย์ทองชื่อจุรามานีงามรุ่งเรืองด้วยทองอินทนินกรางองค์เป็นทองจนถึงยอดประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงประดับด้วยธงล้อมรอบวนะหรือป่าหรืออุทยานหรือสวนพระอินนครดาวดึงในอภิธานับปทีปิกาว่ามีสีคือนันทนวันมิศกะวัน จิตตลดาวันหรือจิตลดาวันภารุสักวันแต่ในที่อื่นเรียกปารุสกวันแทนภารุสกวันก็มีในไตรภูมิพระร่วงเพื่อมหาวันและปุณธริตกาวันในทิศอาคเนตต้นไม้ที่ใหญ่มีอายุยืนนานตลอดกลับกันตามคดิโบราณว่ามีอยู่เจต้นคือหนึ่งชมพูหรือไม้ว่าประจําชมพูทวี 2. สองสินพรีหรือไม้นิ้ว ของพวกครุฑ 3. กระธรรมพะหรือไม้กระทุ่มประจำอมรขอยานทวีป 4. กัปปรุ ข, ขะหรือกระปะพรพฤประจำอุตรกรุทวีป 5. ้สิรีสะหรือไม้ทรึกประจำปุพภวิเทหทวีป 6. ปริชาตกะหรือปริชาตหรือไม้ปริชาตทิพ ป, ประจําพดาวดิง่ง 7. จิตปาตรีหรือ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 ่เรียกการมืดเติบโตขึ้นว่ามคคะมานพมีภริยาและบุตรทีดาลาคนมคคะมานพให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดและพอใจแผ่ถางภูมิประเทศปราบเกลีย์พื้นที่สร้างศาลาปลูกต้นไม้ขุดสระน้ำทาถนนหนทางทาสะพานจัดทาจัดหาตุ่มน้ำและสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนถ้าในบทนี้กน่าจะตรงกับที่เรียกว่าเป็นนักพัฒนาท้องถิน่น มีปกติชอบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นที่เรียกว่ารมณียะต้องการให้ท้องถิ่นทั้งหลายเป็นรมณิยสถานทั่วๆไปดังที่เล่าไว้ในอัตถกถาเริ่มเรื่องว่ามขะมานพไปทํางานในหมู่บ้านก็ใช้เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนให้เรียบคนอื่นเข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธ ถ, ถอยไปทําที่อื่นให้เรียบต่อไปคนทั้งหลายก็มักพากันยึดที่ซึ่งมคะมานพเกี่ยเรียบไว้แล้ว มค้ามานพบเห็นว่าคนทั้งปวงมีความสุขด้วยกรรมคือการงานของตนฉะนั้นกรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สู่แก่ตนแน่ก็ยิ่งมีจิตข ม, ะขะมักขมเณรที่จะทำพื้นที่ให้เป็นรมนิยะมากขึ้นจึงใช้จอบขุดปราพพื้นที่ให้เรียบเป็นลานให้แก่คนทั้งหลายเอาใจใส่ให้ไฟให้น้ำในเวลาที่ต้องการต่อไปเขาแผ้วถางสร้างทางสำหรับประชาชนชายหนุ่มอื่นได้เห็นก็มีใจนิยม ก็มาสมัครเป็นสหายร่วมกันทำทางเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนนับได้ส3สามคนทั้งหมดช่วยกันขุดก่นถมทำ ถ, ถนนยาวออกไปจนถึงประมาณโยตหนึ่งสองโยต์ฝ่ายในบ้านเห็นว่าสหายส3ิสามคนเหล่านั้นประกอบการงานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิกแต่สามสิสามหายกล่าวว่า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 น่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องนี้จึงรับสั่งให้นําคนเหล่านั้นเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ตรัสสอบถามมค้ามานพและสหายในกราบทูลให้ทรงทราบโดยตลอดพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัตทรงขอโทษมค้ามานพและสหายแล้วทรงปลดนายบ้านออกจากตําแหน่งทรงลงโทษให้เป็นทาสของพวกเขาและได้พระราชทานช้างนั้นให้เป็นภาชนะพร้อมกับบ้านหมู่นั้นให้เก็บสวยบริโภคตามความสุข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 45, สี่บห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพล์สมเด็จพระยาณสังวสรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป